ก็เป็นโสดาบันต่ไม่แน่นอนแนละ้ว hey. hey. ถ้าลงเรียนลงไทยคิดว่าเราจะคิดจะเกิดชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่แน่หราจะแค่โสดาบันเราจะตายนะที่า่า่างกายเร็วๆ น, นี้จะมีชาตินี้เึ็ชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีเช่นเดิมเราเพขาะจะปฏิพานธ์ทาอย่างนี้นก็เวลาก่อนจะตายวันนั้นอยจะไปสังก่อนแต่ปฏิพ า, านเวลาหมดแล้ว ตอนนี้ไปก็มันดยากโยนเลยสักทุกท่านป้ายใหสมาทานศีลนิมาทานกรรมฐาน โยมสุเมโขวันหังสมมาลสัมปุโโอโโวาัาโตยนัาโโตวอัาัโตตันโนยวโตาวัโโอย โอ้ยังละกัลวังจะทำมัจะจังขังไม่ใช่ายไมธอาโูปิเตอิปจยามา ตไปเขาแยโยนใจสมาทานที่แปดหนับโมตัชฌะอะโกวะตุระหะตุจำมาจำพุทธะนัโมตัชฌะอะโกวะตุระหะตุจำมาจำพุทธะ นะโมตัสสะอุทวะตุอระหะตุตัมมะสัมพุทธะ ตอบอย่ากได้ว่าแลไม่กเ ห, หมือนกันขึ้นแลก็ลงลงแลกองอแลกองและจะเป็นสนใจอะไรแล้วใครฟังอะไรก็ะชั่นธรมาอะไรก็เดือดร้อนแล้วที่ยเขามาดีมาดีาดหลังก็นออก่อกนออที่จะบรนดาพระก็บอกบรรดาเทพเจ้าสัมภารที่สงเคราเข้าไปเจ้าัพแล้ว ไ, ไปเจ้าขยับตัวล็อกแค่มาชีพือนหน้าหนึ่งกอง ก, ก็พอยไดอ่า แล้วก็โดยปกติภรรยานี่ลูกกับสามีไม่ตระเด็กนกันแต่ว่าสามีชอึ้นบกับลูกฝังเป็นบางครั้งสานยิ่งยงไหญ่ชอบชอบระโดดเสกก็เลยให้แก่ใส่เลยเอาหุ้มไว้บนลูกแ่เป็นความผิดพาดไว้แล้วันหนึ่งขนาดที่หุ้มมันก็จะลูกจเข้าออกล่ะต้าปวดข้อกระตูนะก็ติดใจเองไหว่าวควมเป็นมาเรียนรู้จากธรรมะ นี๋ไม่ดีชาักกัะฮะจะไปเที่ยวยาไปยตัวมังกินนข่ายอยู่นะตา้าหลวงพ่อจะลูกดเอาวันเอาไว้เพื่อ ไม่ใช่สับตับใหม่ตัใหม่ตัดใหม่เอาดีกว่าง่ายง่ายเ้าเหาเอา喉 ลูกเต็งว่าจะไปเตรียมงุลมศึกษาแต่ก็ไา่ใจว่าถ้ามาก็มาพบหลวงพอแล้วหลวง่อคงจะแก้ไขแนะนำเพื่อความเป็นมือมือมือมือมตอมือมือมือม่อมือมือมือมือมือมือมือมือมือมือมือมือมอมือมือมือมือมนอมกอมจอมือมือมือมอมือมือมืออมือมืมมอมออออืม ก็ไม่มีอะไรเลยองม่เป็นัมงคลเนนก็ระจอกเป็นใจเองไม่ใช่ไปอัปมงคลนะมันไม่มีอะไรครับโซ่โจะทอะไรกมันะอะไรอเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างน้ับแ้าบ้นนั่นเชรวยอ้าวนกกระจอกไปอาหารเนี่อยู่ๆอาหารมากช่ไหมแสดงคือแล้ว่าสอไปจะมีมากขั้งความมากขั้งสมบูรณ์ร่ารวยขึ้นมาแต่สมบูรณ์สบายก็ทานไานกกระจอกเนี่ย ไปเลยไปหลายฝันเลยท่ารยหญ่นสิให้เราศกอยู่ัาตั้งมดาทอรย์ใหญ่ท่าอาารย์่ท่านอาเารยานอาารทานารหานารย์ใหญ่ท่านอจากย์ใหานาย์่าอาาย์ใหญานอารย์ใหญ่่านอานอารท่านอาจย์ใหญ่ทรใานอาจารยใ่นอาจารย์านอย ในขณะนั้นเป็นการจัดแจงต่านึ่ตักถึองเบียร์กลางเลยลามการไ่อยไม่ทราบว่าลักษณะที่เกิดที่อย่างนี้จะต้องเหตุใดและจะแฝงใสจะแที่ไหนดนเบี้ยวอยไอยอยมันปนยังไงฮะบิ้วบิวใช่ใไม่มีอะไรเลยนะการอยากนั้นจะเป็นว่าจิตใจเร่งรัดตัวเองเดินไป หลังแก้หายด้วยให้ใจยาวๆสักหน่อยนะก็เริ่มจะไหวให้ใจยานยาล้วบอกว่าข้างก็หายไมมีอะไรมากเป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าพูดรรษาพราก็ถือเป็นปีดีอ๋อปีดีตัวดีสุดของดีนะมันสุดของเรานะของดีนะถึงว่าปีดีดีมาก กำลังบนใหญ่จริงๆอยู่ขั้นปีสี่าเท้ารองพ่อที่ประสบกรที่ลูกมีเรื่องรุกประมาณใจมาสี่หาปีแล้วไม่ทราบว่ใจมรบายแกนไทยเห็นว่าพ่อมีเหตแม่ตางขอระบายเป็นครั้งสุดท้ายและขอร้องม่้ดวยด้วยนิจนาลอบทายขอลูกเป็นนักศึกษาได้เป็นครนักศึกษาขอมีลูก แล้วตาขุว่าทั้งสองตัวจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็มาเอาน้องทายมาขอต่างลูกเพื่อไปทําแท้งมาแก่ที่เป็นลูกนุ่นล่าลูกก็ให้ต่างเข้าไปก็ให้ตังงเขาไปทำแท้งแล้วตาขุลูกมีความเดือดร้อนอย่างต่อไปนี้หนึ่งเวลาลูกตั้งท้องอะไรแท้งทุกทีสองกจะต้องผาตัดถึงต้องเมาสเกี่ยวเรื่องเรื่องนอกในรถลูกประการที่สาม ลูกจ่าขอขึ้นบารมียลวงพ่อว่าจะทาบุญทําุศอยงไรเพื่อให้เด็กที่ตายไปนั้นอาโหสุกรรมให้แล้วไม่มีเวรไีกรรมด้วยกันเออคำว่าไม่มีเวรไม่มีกรรมยังไงต้องคิดด้วยกันเอาให้ดีกว่าทาบุญทุกครั้งหรือบุญชาพระทุกครั้งนะคุณที่ส่งกุศลให้เขาเขบอกว่าต้างขอให้เขาสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไวยคดิศา พวการาพิทันนะเอาดีกว่าเด้๋ยวกินไส้ตะไคไม่น่าจะเป็นเป็นจริงคุข่าวไใ่อกก็จริีแท้งนะแท้งเองไม่เกี่ยวกันเด็ที่เราก็เป็นโรกเน่ยนะข่าวเองที่เลยไปให้คุงเขาเข้าเลยสงสัยตัวเองเชื่องไปทำอย่างนั้นเขาไม่ใช่แท้งจริงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอเคราองแลวแท้งแท้งแล้วร้องแล้วไ อย่างเงี้ยดีไม่ต้องเลี้ยงลูกแล้วเือหน้าดูใช่สิทีนี้ยเเลยขอรองมานี้นึว่าลูกอยากจมีอยากจะมีปุถกชนเพื่อไม่ให้แท้ต่อไปขอไม่ตามอ่อ่าก็ยืนยันไม่ได้นะงพรว่นนี่นะก็ละปากไปไกลว่ามันมีสมัยหนึ่งนะปีพศสองพันห้าร้อยสี มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกับกับผู้ชายอยเสื้อหนึ่งอสแสดงเป็นผู้ชายจะอยบอกว่าตัวตอวีงใหญ่เพอว่าสามีเป็นนายสถานการณ์ใช่ไหมปัญญาก็เป็นเมียนในสถานการณ์ปัญญาก็มีอยู่แล้ว <laughs> เอาม่ออกที่เงไงภรรยาผมมีลูกน <ะ S 2> แล้วนี้มันมียว่าเข า, ากกประกาศมาบอยทรา บ, บากกประกาศมีลูกหมดสองคนนั้นแท้งหมดแล้วก็ไปดูหมอดูหมอดูว่าข้างซ้ายขาเขาเธอมีผีเสื้อสมุดจอดอยู่ถ้ามีลูกกี่คนจะกินหมดใครก็แกเป็นผู้หญิงไม่กล้าถอเสื้อดูแต่ฉันโดนเป็นเสื้อใช่ไหม ก็ไปเอาสิ่งก็ไปบอกเอากี้ก็อะไรกันเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกเรื่องแทงหรือไม่แท้งฉันยืนยันกับคุณไม่ได้แต่เอากี้ถาวเขจะมีเทวดาแล้วนางเฝ้าไหนจะมาเกิดว่าจะมาเกิดเอาไม่ล่ะเขาบอกว่าเอาพรอถ้างั้นคุณไปที่ต้นโพไปจุดทูบซึ่งพดั่งสีในวลานั้นนะอที่วัดวัดโพหลังเทนาในเวลานั้นจที่นั่ง ก็ไปบอกว่าถ้านางฟ้าองค์ใดถ้าจะจุดกิจะถึงเวลาะจะเป็นเกิดก็อ ข, ขอให้ขอสูขันพึ้นาเจ้าแล้วก็จะปฏิบัติตามเรื่องขทุกอย่างพอแกไปจุดธูปกลับมาแล้วนางฟ้าตามมาเลยออกฉันเนี่ยหนึ่งเดอนข้างหน้าเนยถึงเาลาจุดติจะเกิดปั้นนี้ได้แต่ที่เกิดไม่ได้ก็มีเรื่องขาหนึ่งพ่ออย่างกินเหล้าต้องข้อกินเหล้านะ ก็มีสัญญาบอกว่าท่าพ่อกับแม่ยังสาทิ้งห้าเป็นปกติจะได้ไหมถ้าได้จะเกิดด้วยววนี่เราสองคนกระยอนยินดีครับจะพร้อมรับแล้วทำได้ยริงจริงก็มีเด็กเกิดจริงดีเพราะเด็กคนที่เกิดขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นผู้ใหญ่มากขนาดที่ผูด้ด้น ะ, ะแกก็ที่ยวแนะนําชาวบ้านจะใครพูดมาดีทำมาดีจะแนะนําสอนเขาไปโรงเรียนก็สารแนะนําครูทุกคนปฏิบัติจรเจียน เป็นพูดอย่างเด็หนุ่มถ้าพิธีเบียบนะแต่การเรียนกานศึกษานี่เก่งมากจาได้ดีมากพูสอนวันนี้ได้สามที่เดือนไปถามจะพ้นเหมือนหมดเก่งิงเขาป็น น, ปา น, น, นา้ามาเกิดแค่หรหดับไรนี้แข็งไปกล้ายิ่งยันจะมีนางฟ้ามาปราบปราบอาจจะมีเทวดาสตูน้ามาเกิดก็ได้โอแีสุทางขอท่าน ก็ อ, อะไรก็อลองอลองดูอองใช่แ ล, แล้วก็ไปขอระเทพเทวดาหรือดังค้าอหนึ่งก็ถึงว่ารายจะจุดติดน ะ, อ, ะอมาเกิดแต่ว่ารายการนั้นเขาให้ทัศนาต์ศิล5เป็นปกติตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตได้ลองดูไปก่อนเพว่าถ้าคุณบาจดีนะบงอย่าที่นั้นมียากเยอะยากนี้แหะัมี ยออยอะย่อยอเยอะจริงๆนะเดียวดาชิญจ่ตรุมารัยพ่อปีที่แล้วลาไปเกิดคนอ๋อเดียวดาาเกิดมเหรือยังไม่นด้ลาแม่เกิดเป็นมนุษย์เรื่องจริงๆนะมัพาะว่าเป่าใญกาะเพชรเจ็ก็ก่อเด็กหญิงสาวรุ่นรุ่นคนหนึ่งไปบ้าน เอาไปถึงไปเมื่อสุดยาท่านก็แต่จะบาติงคนนี้เพราะที่เซนนัพเขาแม่ทำ บ, บุกอย่างอาจจะมาจะใส่ไปพวกนี้พระชอบไปไหนพวกนี้พระชอบไปออบไหนแต่ถ า, ถามพระก็เ้าก็ถามแนั่นพระบอกจริงแต่มันมีความต้องการเา ว, วรา้าไหันตามร้่จชอบไปนี้ไม่ชอบแม่ให้งสงสัยว่าลูกเราสกหรอไม่สุกี้ทาจะตีขาออ่าพรเราส เจ้าผีนะฉันนะเทวดาที่ว่าท่าสูงต่อเลยตั้อยู่ที่ต้นโพยใหญ่นะ ต, ต่อเวลาที่มันถึงมาล้าเยจุตินี่พ่ออะไรทุก่อเหตของผีแนะ่จะพาไปว่าถึงตัวางก็แม่ตัวช้วางที่นะอื่นนะถ้เจอหน้าแกบอกว่าอืนะ่จะไม่ไปไปว่าพระสูงเรว่าพระธาตุทก้าง ตากว่ า, าถึมจะเสียกันหรือเป็นผีนี่พ่อาถึงได้แก่ลูกเขาถามมาห า, าก็เลยมาแนะนาพ่อแม่เอาเสื้อผ้าเกา่เกาๆว่าลูกพ่อได้ไมที่เท่าชาตินี้หาได้ทุกนเมื่อเป็นสงครามปนญนเพราะวันนึงที่เรานั่นเนไงเฉไม่มีวิธีริามาที่รับแขก้าแข้มไปพ่อไปงานหรือเด็กคนนี้มีงามีผีเข้ามาสิงที่อยา่จะ่าพบหลวงพ่อว่าืไม่ คุณมองไปแล้วปับไอตัวเด็กก็เฉยๆนะแต่เจ้าของเด็กดีอยู่ข้างหลังเตรียดยาเตรียตัวแล่ววางไมเลยรับทวแค่าอะรเนี่ยน่าเชื่อถาไปงงก่บคนเด็กก็คอยใช้เด็กคุณผมไม่ควรครับผมจะไปหยุดติอย่าเยีลาดูข้อ พ่อหลวพ่เคยคเคยช่ยผมเคยแนะนผมเคยผมช่วยและแต่เี๋วผมไม่เห็นผมหายไปจะถามว่านี่ไปไหนอ๋อจะดนจับแเล้ถามว่าเคยช่วยอะไรบ้างเคยช่อะไรเขียบอกว่าตอนที่หล่อรูปหลงพอครันั้นที่พองคำที่จะบ้านไปจะไหจะไหวแล้วก็เป็นากบจริงแค่ปากไม่จริง ที่น่นออมาไว้ใกล้ๆไงเขาดนมาให้ที่วันนั้นก็ให้รับตัวั่นในเสื้อติดตอนรถช่วยเป็นเรื่องมันไหนเป็นหน้ากับไหนเป็นเงินเป็นอะไรองใช่ไหมแล้เลือกไปเรืองมาทั้งหมดแล้วท่าก็ชุบกหมดเพรเดินมาจากเขาน้าเดียวกับพ่อพเขาบอกยังไม่หหาไหนยากในตู้มีลูกมีทองางไหเรี่อยกินชุบไหล ไอ้ตูุ้มแรกฉันใช้ทุกวันไม่เคยห็นยากแต่เื่อดูมียากจริงใช่ย่อมหายตู้หลุมแรกใจนลาไปแล้วเอาเนือแล้วกันเอากระทำลายทำอะไรบ้างล่ะผมขอบวชครับเขาบอกจะไม่ยากเอาข้าวขาวเขมข้าแล้วก็สมนรำมันนะเอาบวชแล้วนะนะกันจุดสีได้แล้วหายไปวิธีบวชของพ่อตาผมนี่ไง ลูกนะเขาว่าถ้ามอเดยแม่ขาดตรงตรงช่องขอจะไว้ข uh> uh> uh> uh uh> uh ุ้นี้เลยนี่เร็หมดเืองใหมกขนีดน้เลยหลวงพ่อจ้พาลูกเเป็นลูกติดใหม่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยเขามาพิพาแรกแต่ใจจะเอาตัวโนจะต้องเดินมาวันนี้เขาบอกว่าไม่มีการเมื่อไปเจรมีลูกเมอากจะขอทาเนะ้อหนังลูหน้าบอกเลยว่า อนที er ่จะถึงเรือนหน้าเมษาพูกควรจะเตรียมเลื้อเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเรือนหน้าจะได้เข้าอุปมาโลมีจริงได้ผมปฏิญาหมายแต่งต้เตรียมตัวต้องไะไอย่างนี้เกะเกาะหนึ่งจุ่มผ้าไว้น้องผ้ายเลยอ่าแก้ไขมาตักใจให้ารที่สองมีซื่อที่ทีปฏิบัติจริงก็ฝึนี่สิตอไม่ก็ช่ภาวนานมานหว ใช้ใจเข้านึกควารับมา ีาคุณว่าไม่ใช่้ใจเลยไม่รู้ว่าใจไม่ตั้งเลย ค, คิดไว้รออะไรกิไรกินไรสบแปับก็ต้องดูตัวอย่างสาธิกีเนี่ยิจารองตัวอย่างสากีเี่ิจารให้ตั้งใจจะดอกไม้ประดิษฐเจดีรับกระดูกที่รมังกรกระดูกพระ การร้องดอกดอกบุบผมสีเลือเคื่องกรดาษเปเลืหมดเปลือกไอ้ตัวอย่างเหมือนอะไรนี่นะเนกันได้ก็เหมือนกันมันอะไรนี่เหมือนกันตอนนี้าว่าอยากให้คุณมาเิดีๆแล้วก็่ตาแต่ตาเราพี่ีแต่ก็่้าลกไอีุงเกินไปแล้วไ่ไเอาประโยชน์อะไรได้ รู้กันรู้กูตั้งใจไว้แค่พอเหีายพอดีเดี๋ยวสมมติว่าอันนี้ก็สร้างเท่าไปป้ากันนะไปเช่าห้า0 0ื่บาทเราเป็นคนมีแสดงร้อยเลยขอจะไหวเดือนละร0 0บาทจนกว่าจครบตั้งใจหนึ่งดวงแต่ี่บังเอิยังไม่ทำจะไหวตั้งใจไว้แล้วดาเสื้อตายไปก่อนไปเอาอันสงเป็นที่ ถ้าไม่ได้ดิแค่ทัมาเลยก็ไม่ได้เลยเลยใ่ใเาเอาร้อยงิต็มเังใหญ่เลยหร้อเต็มเต็มนะที่พระโลกบาลถามว่จะากหรือคนที่ยังไม่ได้ทาบุญถ้าไหเข้ามาทบุญนี่แม้ตอนช้าถามตั้งใจว่าจะทำบุญแต่ยังไม่ได้ทำบุญตายไปแล้วจะเกิดเป็นเบนสวรรค์มีไหม ไม่เจ้าก็ต้องคืนล่วเดื้อนี่ ม, มันปเองกป็นงไหมล่ะ